อ่ะนะในสมัยนั้นผัสโสโหติมีภาษะเกิดขึ้นเวทนาโหติสัญญาโหติเจตนาโหติจิตตังโหติก็จะยกว่าสัมปยุต ธ, ธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกับความคิดเหล่านั้นเหล่านั้นอะ่ะมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสรุปว่าอยากจะบอกว่าโลกียธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้ายกจิตขึ้นเป็นประธานเพราะฉะนั้นจะยกอุทาหร์จากวินัยปิดกมาก็ได้ยกตัวอย่างมาจากสุตันตปิดกก็ได้ยกตัวอย่างมาจากอภิธรรมปิด ก, ก็ได้ จิตเป็นประธานของโลกิยธรรมถ้าจะพูดถึงโลกุตระธรรมพระองค์จะพูดแต่ปัญญานั้นเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นพระองค์จะไม่ถามว่าเออเธอมีภาษาอย่างไงเธอมีเวทนายังไงเธอมีสัญญายังไงเธอมีเจตนายังไงแต่จะถามด้วยอำนาจปัญญาอย่างนี้ว่าภิกษุที่เธอบรรลุแล้วที่เธอบอกว่าเธอบรรลุเนี่ยนะบรรลุด้วยปัญญาระดับโสดาปฏิมัก มัทที่1 ห, หรือเธอบรรลุด้วยปัญญาในสกทาคามีมัทที่เป็นปัญญาระดับที่สองหรืออนาคามีมัทปัญญาระดับที่สามหรืออระหตมัทซึ่งเป็นปัญญาระดับที่สเพราะฉะนั้นจะยกตัวอย่างที่เป็นปัญญาจะยกปัญญาขึ้นมาเป็นตัวถามนะยกปัญญาขึ้นเป็นตัวถามนี่ก็ยกตัวอย่างที่อื่นอีกบอกแมในอินทริยะสังยุทธ์นะสังยุตตานิกายข้างหน้าที่จะเรียนถึงเนี่ยนะ พระองค์ก็ตรัสโลกิยะโลกุตระโดยยกอารมณ์ขึ้นเป็นประธานบางทีเนี่ยการแสดงธรรมบางทีบางทียกจิตก็ได้อยกจิตยกเจตสิกที่เกิดขึ้นเป็นประธานก็ได้หรือบางทียกอารมณ์เป็นประธานก็ได้อย่างเช่นการแสดงอินรีย์5อินรีห้ามีอะไรบ้างสัตทินรีวิริยินสีสตินรีสมาทินรีและปัญญินสีอินสีคือศรัทธาเพิ่งเห็นได้ที่ไหน โสตาปฏิยังฆธรรม4ประการเรียกว่าธรรมที่เป็นเครื่ององค์แห่งธรรมที่เป็นเครื่องถึงกระแส4ประการเรียกว่าโสตาปฏิยังคธรรมวิริยินรีพึงเห็นได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในสัมมปทานสสติินรียพึงเห็นได้ในที่ไหนในสติปทาน4ีตรงนั้นก็พิมพ์ตกไปหน่อยแล้วสมาธินรีพึงเห็นได้ที่ไหนพึงเห็นได้ในฌาน4ีแล้วปัญญินทรี์พึงเห็นได้ในที่ไหนในอริยสัจสี่ประการ เนี่ยนะแปลว่าบางทีเนี่ยแปลว่าแสดงโดยอารมณ์ศรัทธาต้องไปดูที่โสตาปฏิยังฆาธรรมวิริยะต้องไปดูที่สั ม, มปทานก็ดูที่อารมณ์นะสติก็ต้องดูที่สติปทานอนะสติปทานแล้วก็สมาธิก็ต้องไปดูที่ฌานปัญญาก็ต้องไปดูที่อริยสัจ ท, ที่จริงเรื่องที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นตัวบอกอินทรีย์ได้หมดเลยนะ เช่นถ้าเรากาลังพูดถึงเรื่องของการคบสัตบุตรการฟังธรรมของสัตบุตรเนี่ยน ะ, ะการโยนิโสมนัสิกามการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุโลกุตระธรรมคําพูดเหล่านี้เป็นคําพูดที่สร้างศรัทธาทางนั้นเลย น, นะครับพูดถึงพูดศรัทธาแต่กล่าวถึงอารมณ์เนี่ยนะพูดถึงศรัทธาแต่หมายพูดถึงอารมณ์แต่หมายถึงศรัทธา คนอีกครั้งหนึ่งนะว่าการพูดการคบสัตว์การพูดเรื่องการคบสัตว์บุรุษการฟังธรรมของสัตว์บุรุษการมีโยนิโสมนสิการหรือการปฏิบัติธรรมเพื่อให้สมควรแก่โลกุตระธรรมเท่ากับผู้เรื่องศรัทธาถ้าผู้เรื่องอรนะเพียรระวังเพื่อละบาปเนี่ยนะการละบาปการเจริญบุญเนี่ยถ้าพูดถึงการละบาปการเจริญบุญเมื่อใดให้รู้เทวานั่นแสดงวิริยะอยู่แสดงวิริยะอยู่ ถ้าพูดกายเวทนาจิตธรรมอยู่นะพูดแต่เรื่องกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมมากๆแสดงว่าต้องการพูดเรื่องสติอยู่ถ้าพูดเรื่องปฐมฌานทุติยฌ า, านตาติยฌ า, านจตุตฌานแสดงว่าเราต้องพูดถึงสมาธิอยู่ถ้าพูดว่านี้ทุกเนี่ยนะนี้สมุ ท, ทยัยนี้นีโรดนี้มรกการพูดอริยสัจให้มากแปลว่าต้องการเน้นปัญญาอยู่เน้นปัญญีสีอยู่เพราะว่าเรื่องราวที่พูดถึงเนี่ยนะ อย่างเช่นพูดถึงเรื่องโสตาปฏิยังฆะธรรมสีเนี่ยเป็นศรัทธาเป็นใหญ่พูดถึงเรื่องสัมมัปปทานสี่วิริยะเป็นใหญ่ถ้าพูดถึงสติปทานสี่สติสติเป็นใหญ่พูดถึงฌานสี่สมาธิเป็นใหญ่ถ้าพูดถึงอริยสัจสี่ปัญญาเป็นใหญ่เนี่ยนะปัญญาเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าอธิบายเปรียบเทียบเนี่ยนะบังวินยูชนในโลกจะรู้ได้ด้วยอุปมาก็กอุปมาให้ฟังก่อนว่า เปรยียบเหมือนอมีลูกเศรษฐีสี่คนมีพระราชาเป็นที่ห้าก็แปบบล ว, ว่าเพื่อนรักกันหคนเนี่ยอีกสคนเนี่ยตําแหน่งเศรษฐีอีกคนที่ห้าเนี่ยตำแหน่งพระราชาทีนี้พอถึงมีงานนักษัตเนี่ยนะงานนักษัตริย์ท่องเที่ยวเพราะเพื่อนห้าคนเนี่ยรักกันมากแต่อาจจะต่างวัฒณะกันนะต่างยศต่างฐานนะแตก่ก็รักกันดีละบา ง, งันเถอะ เพราะฉะนั้นพระราชาก็เลยมีความคิดว่าเราจะเล่นนักสัตว์ก็เดินไปตามถนนไปถึงบ้านเรือนของลูกชายคนหนึ่งพร้อมกับเพื่อนอีกสี่คนเนี่ยนะก็คือไปเที่ยวด้วยกันหคนอ่ะปกติห้าคนนี่เขารักกันมากเนี่ยนะแต่ว่าห้าคนเนี่ยนะแต่ละคนก็มีบ้านอ่ะนะเพราะลูกเศรษฐีใช่ไหมแต่ละคนก็มีบ้านเป็นของตัวเองตัวเองตัวเองตัวเอ ง, ตเองแต่ละคนเนี่ยเป็นเศรษฐีร่ํารวยอยู่แล้วไปบ้านของเศรษฐีคนที่หนึ่ง ลู่เอ่อพวกเศรษฐีอีกสามคนกับพระราชาเนี่ยไปบัญชาการเลยใช่ไหมไม่เนี่ยนะถึงจะเป็นพระราชาใหญ่ที่สุดในแผ่นดินแต่ก็ไม่มีอำนาจอะไรแบบไปสั่งเสียในครอบครัวของเขายกอาหารวางอาหารเว็นต้นไม่ได้เรื่องเลยไม่ใช่ทุระเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระราชาและเพื่อนอีกสามคนจะนั่งนิ่งไอ้เพื่อนคนที่หนึ่งที่เป็นเจ้าของบ้านจะดูแลเนี่ยนะ ทีนี้มันเพื่อนอเจ้าของบ้านจะบอกว่าันนี้อาหารยกอาหารมายกเครื่องดื่มมาคนนั้นทนํานี่คนนี่ทํานั่นเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในการสั่งการแต่ว่าเพื่อนทั้งสคนก็ไปด้วยกันไปถึงบ้านคนที่สองอน น, นคนที่เหลืองเงียบหมดเจ้าของบ้านสั่งการอย่างเดียวไปถึงบ้านของคนที่สามคนที่เหลือเงียบหมดคนที่สาสั่งการแต่เพียงผู้เดียวไปถึงบ้านของคนที่สี่ที่เหลืองเงียบหมดอนนันแต่ก็อยู่ด้วยกันะนะก็ตั้งโต๊ะร่วมวงคุยกันไปอะไรกันไปแตก เจ้าของบ้านเท่นั้นที่สั่งการพอไปถึงพระราชวังเศรษฐีทั้ง4คนเนี่ยนะเศรษฐีทั้งสคนก็นั่งเงียบเหมือนเป็นเรื่องของพระราชาสั่งการแต่เพียงพระองค์เดียวเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าไปถึงพระราชวังแล้วพระราชาก็เป็นใหญ่ในที่ทั้งปวงพระราชาเป็นคนสั่งเรื่องการยกสำรับกับข้าวเรื่องทุกอย่างนะพระราชาจะสั่งการหมด ชั้นใดก็ดีในอ네ินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยนะอินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยถึงจะเกิดพร้อมกันก็จริงจริงๆแล้วนะทุกๆกุศลจิตเนี่ยอินทรีย์กุศลจิตที่มีปัญญาประกอบในอินทรีย์ห้าเกิดด้วยกันหมดนะนะทั้งสิสัพทินสีวิรยยยิยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์เนี่ยนะเกิดพร้อมด้วยกันหมดนั่นแหละเป็นอินเดียปัจจัยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องโสตาปัฏิยังฆธรรมอยู่ แสดงว่าศรัทธาเป็นใหญ่อย่างที่กล่าวว่าถ้าพูดถึงเรื่องการครบสัตว์บุรุษคือคบพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการไข้ควรวญค้นคิดพิจารณาคําสอนพระพุทธเจ้าเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุมรรคผลอันนั้นก็แสดงว่าศรัทธาเป็นใหญ่แต่ก็มีวิริยะสติสมาธิปัญญาอยู่ที่นั้นด้วยแต่ศรัทธาเป็นใหญ่เนี่ยนะ อินทรีย์ที่เหลือคือวิริยะสติสมาธิปัญญาคล้อยตามศรัทธาทีนี้พอถึงสติปฐานสีนนะสติปฐานสี่สติที่มีลักษณะอุปทานนะเข้าไปตั้งเอาไว้สติเท่านั้นแหละเป็นใหญ่ศรัทธาวิรยิยะเนี่ยนะศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญาก็คล้อยตามเนี่ยนะคล้อยตามสติตกวิรยิยะเนี่ยนะ ถ้าพูดถึงเรื่องการละบาปก า, การเจริญบุญเรียกว่าการประครับประคองตัวประครับประคองใจที่จะ ก, กำจัดบาปแล้วก็เจริญบุญเนี่ยนะในขณะที่ประครับประคองเนี่ยนะขณะนั้นเนี่ยสัมมาประทานเนี่ยเขาเป็นใหญ่ศรัทธาสติสมาธิปัญญาเขาคล้อยตามนีนะก็เรียกว่าคล้อยตามเจ้าของบ้านอ่นนะทีนี้พอมาพูดถึงสมาธิล่ะ พูดถึงฌานเนี่ยนะพูดถึงเรื่องฌานปฐมฌาอุปจาระฌานปฐมฌานทุติยฌาน ต, าตาัติยฌานจตุทฌานสมาธิคือความไม่สัตสายนี่เขาเป็นใหญ่ลักษณะของเขาไม่สัตสายเขาตั้งมั่นเพราะฉะนั้นอินทรีย์ที่เหลือคือสัทธาวิริยสติและปัญญาก็คล้อยตามคล้อยตามอะไรคล้อยตามสมาธิทีนี้พออันสุดท้ายมาพูดถึงอริยสัจเนี่ยนะ ปัญญาที่ประเสริฐปัญญาที่รู้ชัดรู้ชัดเจนเท่านั้นแหละเป็นใหญ่ส่วนที่เหลือก็เป็นเป็นแต่คนคลอยตามันเรื่องอารยศาสตรเนี่ยนะคนที่พิจารณาอริยศาสตร์เนี่ยศนะ ร, รัทธาก็เยอะนะแต่วิริยะก็มากสติก็มากสมาธิก็ดีเนี่ยนะแต่ว่าปัญญาเป็นหัวหน้าเนี่ยนะเพราะปัญญาเป็นหัวหน้าปัญญาเป็นใหญ่เปรียบเหมือนพอเข้าไปถึงพระราชาวังแล้วพระราชาเป็นคนสั่งการเนี่ยสั่งราชกิจทั้งหมดเพราะไม่ใช่หน้าที่ของ เศรษฐีทั้งหลายเนี่ยนะแต่ถ้าอยู่ในบ้านเศรษฐีเนี่ยถึงตัวเองจะเป็นพระราชาก็สุดแท้แต่เจ้าของบ้านเนี่ยนะเจ้าของบ้านเขาจะเอาอะไรมาต้อนรับเชื้อเชิญกบว่ากันไปตามนั้นเพราะฉะนั้นพระมหาโกฏธิตะเนี่ยนะเป็นเอตัทคะด้านปฏิสัมพิธา การถามปัญหาแบบโลกิยะทั้งหลายท่านจะทําจิตให้เป็นหัวหน้าจิตเป็นใหญ่ถ้าถามปัญหาแบบโลกุตระท่านจะยกปัญญาขึ้นมาเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ภาษาริบทผู้มีปัญญาเอตทัคคะด้านปัญญาเนี่ยนะภาษาริบทพอเขาถามโลกิยะซึ่งยกจิตเป็นใหญ่ท่านก็ตอบแบบโลกิยะยกจิตเป็นใหญ่เหมือนกันถ้าถามแบบโลกุตระที่ยกปัญญาขึ้นเป็นใหญ่ท่านก็จะตอบแบบ โลกุตระคือยกปัญญาขึ้นเป็นใหญ่เหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยตอบว่าปัญญากับจิตจริงๆแล้วแยกกันไม่ได้ทั้งโลกิยาจิตกับปัญญาก็แยกกันไม่ได้โลกุตระจิตกับตัวปัญญาก็แยกกันไม่ได้เนี่ยนะสะรุปว่าอันใดเป็นความรู้ชัดเจนคือรู้ด้วยอํานาจปัญญาความรู้ชัดเจนก็คือรู้เกี่ยวกับสัจจะทั้ง4ี่ประการเพราะปัญญาเป็นหัวหัวหน้าเป็นใหญ่ในการ กำหนดอริยสัตว์ทั้งหลายวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธาขามินีปฏิปทาถ้าพูดถึงความรู้แจ้งที่เป็นวิปัสสนาทั้งหลายก็จะยกอะไรยกจิตขึ้นมาเป็นประธานว่ารู้แจ่มแจ้งวันนี้สุขนี้ทุกนี้อทุกขมสุขเพราะฉะนั้นรู้แจ้งอันใดคือรู้แจ้งด้วยวิปด้วยวิญญาณอันใดวิปัสสนาก็ประกอบพร้อมปรุงแต่งร่วมกันกับจิตและปัญญา เพราะฉะนั้นถ้ารู้ชัดสิ่งใดด้วยวิปัสะะนาพันจิตก็จะเกิดร่วมกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นทั้งสองสิ่งคือจิตและปัญญาก็เกิดพร้อมกันมีวัตถุเดียวกันมีอารมณ์อันเดียวกันอันนี้คำอธิบายปัญหาข้อที่4เนี่ยนะที่ถามว่าปัญญากับจิตนี้มันคละกันหรือเปล่าเนี่ยนะมันเกิดร่วมกันไหมแยกกันได้หรือเปล่าเนี่ยนะเอามาแยกกันได้หรือเปล่า นี่ในหน้าสองรอยปดสิบเนี่ยนะหน้าสอง้อยแปดสิบเป็นคำถามที่ห้าพระมหากุฏิตะถามว่าท่านพระสารีบุตรครับเมื่อธรรมคือปัญญาและวิญญาณเหล่านี้มันคละกันแยกจากกันไม่ออกเอาแล้วมันต่างกันยังไงล่ะเออต่างกันยังไงคืออะไรล่ะที่ทำให้มันต่างกันแล้วเรารู้จักความแตกต่างกันได้อย่างไรระหว่างปัญญาและจิต ภาษาลิบบก็ตอบว่าเมื่อปัญญาและจิตเหล่านี้มันคล้ากันมันแยกกันไม่ได้ก็จริงแต่กิจของปัญญาและวิญญาณมันต่างกันปัญญาปัญญานิภาวิตภะใช่ไหมต้องเจริญปัญญานิกิจของปัญญาคือภาวนาเพราะมรรคปัญญานั้นต้องภาวนาโลกิยะจิตทั้งหลายนี้เป็นปริญญยธรรมเป็นธรรมที่ต้องกําหนดรอบรู้ ต่างกันอย่างนี้แหละถ้าพูดระดับโลกุตระเนี่ยนะปัญญาระดับโลกุตระนั่นเป็นภาวนามยปัญญาถ้าพูดแบบวิญญาณที่เป็นโลกิยะเป็นปริญญยธรรมเป็นธรรมที่ต้องเข้าไปพิจารณากําหนดรอบรู้อันนี้คือเหตุที่ทําให้ดูแล้วต่างกันนะก็โลกิยาจิตทั้งหลายเป็นปริญยยธรรมเพราะเป็นวิญญาณขันใช่ไหมเราจะได้ฟังว่าวิญญาณไม่เที่ยงจะเคยพูดไหมว่าปัญญาไม่เที่ยงปัญญาเป็นทุกปัญญาเป็นอนัตตา ควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายในปัญญาซากทีเนี่ยเคยเคยมีไหมมีมิ่งจะยกแต่จิตขึ้นเป็นประธาน น, นะเปรียบเหมือนวิญญาณเป็นนักมายาคลเนี่ยนะว่าจะบอกวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นวัานั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเนี่ยไม่ควรหรอกมันจะยกจิตขึ้นเป็นประธานจิตมันจะเยี่ยมขนาดไหนมันก็คือ คืก็คือจิตที่เป็นโลกิยะจิตทั้งหลายเพราะฉะนั้นจิตเหล่านี้เนี่ยนะถึงจะเป็นวิปัสสนาก็จริงเพราะฉะนั้นคงไม่ลืมสูตรก่อนๆใช่ไหมในมหาตันหาสังขยะสูตรแล้วก็ในอลัลลัคถูปมาสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะคือสมถะและวิปัสสนาเปรียบด้วยทุน่นด้วยทุน่นด้วยแพรเพื่อประโยชน์แกการข้ามฝากเนี่ยนะทุ่นเรือแพนี้เพื่อประโยชน์แก่การข้ามฟากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิญญาณจิต จิตทั้งหลายถึงจะเป็นระดับวิปัสนาจิตก็เป็นปริญญาธรรมแต่เป็นปริญญาธรรมพิเศษที่เจริญะนะเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเนี่ยนะเพราะสติปัฏฐานสี่เนี่ยน ะ, ะสมถาวิปัสนาทั้งหลายถึงจะเป็นโลกียะจิตแต่พระพุทธเจ้าก็สอนให้เจริญด้วยและสอนให้กําหนดรอบรู้ด้วยไม่ใช่เจริญอย่างเดียว คือเรียกว่าต้องเจริญด้วยต้องกําหนดรู้รอบรู้ด้วยเพราะถ้าไม่กําหนดรอบรู้ปัญญาวิปัสนาจิตวิญญาณนะจิตเหล่านี้แล้วเนี่ยนะจิตเหล่านี้จะเป็นที่ตั้งแห่งอารแห่งราคะแห่งอภิชาและโทมนัตเดียวข้างหน้าต่อไปจะมีว่าผู้ที่ไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยนะสูตรข้างหน้านู้นอีกหลายสูตรเลยแหละผู้ที่ไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีฉันทราคะในสมถะและวิปัสนา